หลังทำต่ออีกสักสามิบนาทีตามวัดก็สามสิบนาทีสาธยายพระสูต ร, ร, ตรก็เป็นเรื่องของเหล่านี้แหละเหมือ น, นกับพระพุทธเจ้าได้ช่วยมีส่วนร่วมกับการ ใช้ชีวิตของเราให้เกิดพ้นจากพิษภัยต่างๆแล้วก็เราก็มาฟังต่ออีกอันที่เหม็นเป็นปัจจุบันเราก็นั่งอยู่ที่นี่มีกายมีใจ แล้วก็ให้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในการทำให้กายใจของเราพน้นพิดพ้นภัยไปช่วยกันดูแลรักษาส <c oughs> นับสนุนกันก็ <c oughs> มีทางเดียวคือการบอกเล่าให้กันฟังเหมือนกับร่วมมือรักษาชีวิตของเราหว้วนกันหมด เ ร, เราใช่เหมือนกันมีกายมีใจเหมือนกันการใช่กายใช่ใจใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันถ้าใช่ถูกก็เป็นประโยชน์เป็นพิษเป็นโทษโ เ, เราไม่พอต้องเป็นพิษเป็นโทษต่อคนอื่นจิงอื่นวัตถุอื่นถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นจิงหรือวัตถุอื่น เราเป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีมิตรมีสิ่งของต่างๆเหมือนกันเดินอยู่บนแผ่นดินกินข้าวกินน้ำหายใจเหมือนกันนำมาช่วยกันในส่วนร่วมช่วยกันใช่เป็นก็มีประโยชน์ใช่ผิดก็เป็นโทษ เสียหายได้ง่ายเ <c oughs> มืนก็เราใช่รถใช่ลาถ้าใช่เป็นก็ไม่เสียหายถ้าใช่ไม่เป็นก็เสียหายดูสําคัญอยู่ที่การใช่และดูแล ร, รักษาการดูแล ร, รักษาสําคัญการมีก็อาจาจะหาได้เหมือนกัน หาข้าวหาหน้าหาเงินหาทองหาได้แต่การรู้จักรักษารู้จักใช้ไม่เคยถูกรักษาไม่เป็นใช่ไม่เป็นก็มีไปกินเหล้าได้เงินมาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่เที่ยวตีเล่ร้อนนั่นเราใช่ไม่เป็นแล้วก็รักษาไม่เป็นไปในตัวเสร็จหมดยินหอมหอมผอมจอกพอกไม่เหลือ รอยลั บ, ลบมันก็ไม่ดีเท่าไหร่มันดีทุที่ลายเหลือให้มันสมโดนกันลายรับไม่ดีเท่าไหร่เหลือกินบ่อยเงินหมดเช่นเชื่อสิ้นวิตไม่เหลือจุนชือยามเขิ น, มขนไม่ใช่จ่ายในการจําเป็นนั้นก็คือลายเหลือชีวิตของเราก็เหมือนกัน เหมืหมดหมดความดีก็มีไม่มีอะไรดีที่ใช่ออกมาทางกายก็เป็นกายทุจริตออกมาทางวิจารเป็นวจาทุจริตออกมาทางใจก็เป็นมโนทุจริตเสียหายหมดต่อใช่เป็นก็เป็นกายสุจริตมีมีมีประโยชน์วจาสุจริตมีประโยชน์มโนสุจริตมีประโยชน์ ดังที่เราได้สาธิตระสูตนวิธีใช้ชีวิตของเราจำหลักอรกิยมรรคสมมาชิตทีนั่นเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นโท ษ, เ, โทษเห็นเหตุที่มันเกิดทุกข์เกิดโทษเราเชื่อเหตุอันที่เกิดทุกข์กดโทษให้พ้นจากทุกข์จากโทษ เวลาเราปฏิบัติก็เห็นอยู่เหตมันหลงมีประโยชน์ไหมมันหลงเหตุที่มันหลงเพราะไม่มีสติทำไมไม่มีสติแล้วไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบเพราะหาเวลาไม่มีไม่มีความเพียรก็เอยจนสติ เกิดที่จะมีก็เกิความจนไปซะเหมือนไม่มีเงินเวลาหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเพราะไม่รักษาเพราะใช่ไม่เป็นมันหมดไปใช้แต่ความหลงดูดีๆเวลาเรามาปฏิบัติธรรมมันจะเห็นความหลงต่อหน้าต่อตาเป็นคู่กับความรู้ พยายามที่รู้สึกตัวมันยังหลงยังแทรกซ้อนขึ้นมาเพราะมันเคยมามันเคยใช้มันก็เลยมาใช้มาใช้ใเราใช้ให้เราหลงใช้ให้เราสุขช้ให้เราทุกข์ใช้ให้เราโกรธอะไรใช้ให้เราอะไรต่างๆมันเคยใช่ใกายใช่ใจเรามันเป็นเจ้าของเราจึงมาใช้สิทธ มันหลงเรามีสติไม่หลงมันโกรธเรามีสติไม่โกรธเปนทุกข์เรามีสติไม่ทุกข์มามีสติเรื่องนี้เกินให้จ100ุดรอยเปอย่าให้เป็นชาธารณะเกินไปสมสอนเกินไปนี่เราเห็นอย่างนี้สมมาทิฏฐิเห็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ย จิติไอ้มันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เนี่ยสมมาทิติแล้วเนี่ยนี่เด่นเดียวชงไหนแก้ทึงนั้นเครื่องมือก็มีอยู่แล้วมีสติเป็นกูเจอดอกเอกเปิดได้เฉลยได้ทั้งหมดของเรื่องอเรื่องเกิดกับกายกับใจจะนอ่อยเฉลยได้ทั้งหมด ไม่มีอะไรติดขัดถ้ามีสติเจินผ่านไปเขาพูดแล้วพูดอีกอันหลงเห็นมันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงพ้นจากความหลงนี่แหละคือสมมทิทิไม่ต้องไปอ่านหนังสือนะพระเจ้าช่วยเราให้ทำอย่างนี้ มันก็เริ่ ม, มปับลงไปเป็นปัญญาแล้ว <c oughs> หาไม่ยา ก, ยากว่าได้คุยเคี่ยหาเหมือนหาเหงินหาทองอ า, าเงือจากน้ำาัวจะได้เมงลาเอาเงือไเป็นกแต่อนัน ปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์ภายในที่มันเป็นทรัพย์ประเสริฐเนี่ยมันเป็นปัจจตังทันทีไม่น่าจะขี้เกียจที่ค้านคลิกมือขึ้นก็รู้แล้วมันหลงก็รู้แล้วให้เราขยันตรงนี้นี่สมมาทิฏฐิ สํมาสังกับโปดาริดํรีออกจากทุกอะไรที่วันไม่ดีดํรีออกถ้าดํรีออกจากความชั่ว<อ>ยันทําความดีจะเรียกว่านักบวชก็ได้บวชทางจิตวิญญาณ ตวชะแปลว่าดับลิออกดีจากความชั่วไปสู่ความดีเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะนหนีความหลงหนีความชั่วไปสู่ความดีแล้วเปลี่ยนทุกข์เป็นรู้นะวันหนีความชั่วไปสู่ความดีนี่เป็นความดับลิชอบถูกต้องที่สุดร้อยเปอร์เซ็นเป็นปัญญาใช่โด ความหลงจริงไหมความไม่หลงมันจียงไหมอะไรไม่ใช่ได้ความโก่เจียงไหมความไม่โก่เจริงไหมความทุกข์เจียงไหมความไม่ทุกข์เจียงไหมใช่ดูสมผัส ด, ดูไม่ต้องถามใครมีสิตทิไม่มีคําถามสัจธรรมเรื่องนี้ไม่มีคําถามนี่แต่คาตอบ นี่แหละคือสมาทิฏฐิสัมสังกับโปสัมบะสังกับปะมันอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่เรานี่ต่อไปก็วาจามันก็อยู่ที่เราเนี่ยโอจาชอบเมื่อเราพูดจาชอบก็เป็นเิตุร่มที่ดีต่อกัน บอกผิดบอกถูกต่อกันอยู่ผู้จุนี้แหละผู้จาชอบไม่ได้ยกย่องไม่ไินท้าใครพูดไปตรงๆ ต, ตามความถูกต้องยินเล่ามาไม่ดีสูบูรีมาไม่ดีอพูดอย่างนี้เลยว่าผู้จาชอบไม่ใช่ไปยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปียว่าจา่า อย่าขี้เกียจนะเราก็ถูกสั่งตกสอนมาพ่อแม่สั่งสอนเรามาขยันหมั่นเพียรอย่าทะเลาะกันพ่อแม่สอนเราเลี่ยงใจกันมีพี่มีน้องหลายคนยังเอามาสอนตัวเราไม่เหมือนคนทุกวันนี้เรื่องลูกเป็นจกักรพรรด ในลูกคนเดียวไม่รู้จักแบ่งใครเป็นจั ก, กรพรรดิไปเลยตั้งแต่เด็กๆไม่รู้จักแบง่งปันไม่รู้จักอ่าอะไรไม่โถเปรียบเทียบไม่ให้ไม่มีการช่วยเหลือกันเลี้งน้องเลี้ยงพี่แบ่งอะไรได้หมายคิดถึงน้องคิดถึงพี่ไม่ค่อยมีลูกคนเดียวก็วพูดเล่นๆไป นี่สัมมา ว, า, มม า, วาจาสัมมาวายาผู้จ่าชอบคือบอกอย่างนี้อดเทิจผู้กำจกัดผู้ส่อเสียดผู้เพ้อเจอ้อไม่มีประโยชน์บอกกันอย่างจริงอย่างนี้ตอนเช้าตอนเย็นการผู้จ่าชอบเป็นศีลแล้ววันนี้การตั้งใจชอบการเห็นชอบเออ ความเห็นชอบการนาฏิชอบเป็นปัญญาพามาพูดจาชอบการงานชอบเลี่ยงชีวิตชอบเป็นชินแล้วกันหาไม่ยากนีสติมันก็เป็นไปเองมมีอะไรชอบเกิดขึ้นหลายอย่างอ่ อ, อข้อสุดท้าย สองข้อสุดท้ายสองข้อต้นเป็นปัญญาสี่ข้อกลางๆเป็นศีล ส, สัมมาสัมมาสติเป็ น, เ ป, นเป็นสมาธิระ้ ว, วันนั้นเราทำอย่างนี้กายากายเยนรูประเสริาติมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นสมาธิแล้ ว, วันแต่ที่เรายกมือขึ้น รู้เสกตัวเป็นทั้งเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิรวมไปหมดขนะเดียวกันเลยทั้งรักษาสร้างปัญญาทั้งรักษาทั้งมีศีลทั้งมีสมาธิเวลามันโศกมันทุกข์เกิดจากกายถอนออกบางมีสติ เห็นกายในกายเห็นเวทนาคือสุขคืทุกข์เห็นความคิดที่มันเกิดจา ก, กจิตแต่ว่ามีสติเห็นธรรมที่มาเกิดจากกายอยา ก, กจิตแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมความมองหงอนอนความอยากดีสงสัยความคิดท่องสัน้นโอ้นา่ะเป็นสมาธิเป็น สติแล้วถอนออกมามีสตินั่นแหละสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาไม่รู้อะไรมันคิดก็อย่างมันจะหลับก็ปล่อยมันหลับ <c oughs> ไม่ใช่สมาธิมันลื้อนะมันหลับเน่ยบอกให้มันรู้นี่มันไม่ยอมมันจะหลับอย่างเดียวไม่ใช่สมาธิสมาธิไม่ใช่นั่งหลับสมาธินี่จิ้มเยี่ยมเจียมใส เพราะมันเห็นของเทศของจริงสติเนี่ยสมาธิเนี่ยส่วนสมาธิข้อสุดท้ายมันเป็นการผลงานแล้วมันล่างวัต่ปัญญาศีลแล้วว่าจะไปถึงสมาธิมันได้ใช้งานแล้วมันละอะไรไป ว่าถึงปฐมฌานตัทุติยฌาน ต, ต, ตัติยฌานจตุติฌานเหมือนกับเราฝึกวัวเทียมเกวียนฝึกช่างฝึกมากนะ้ามันหายประโยชน์เพียงแต่เรานั่งหลังหรือจับใส่บางเหียนนิดนิ ด, นดหน่อย ไม่ได้สอนมันไม่ได้ลากไม่นด้ดึงอะไรเพียงแต่เรากระดิกตัวนิดเดียวก็รู้เมื่อเราขี่มาเวลามันวิ่งผิดเรากดดิกขานิดหน่อยมันก็เจ็บลูกมิ่งเลยดีอีกว่ามันวิ่งผิดเรากดดิกขานิดหน่อยมันถูกสอนแล้วมันรู้แล้วเหมือนว่าจะให้เลี้ยวไปทางไหนเอาเข่าวต๊ะ ถ้าไม่มีเชือกหรือกระดิกเชือกทางใดที่เราต้องการมันก็รู้แล้วทีมันรู้กันเราก็รู้ว่ามาก็รู้เราเรารู้วัววัวก็รู้เราเราก็รู้ควยควยก็รู้เราเพื่อเราเทียงเกียนมันรู้เรามันรู้จับเจยาของจะใ่้อะไรมันรู้จับ บางทีเอาออกจากคอกจูงไปยกหัวเวียนขึ้นมันเดินเข้ารับแอกทันดีไม่ต้องบอกไม่ต้องจูง ม, มันมันมันรู้ว่าเราจะใช้มันอย่างไหวเทียงเวียนของ น่องชายหลวงพ่อเนี่ยแต่แปรเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอาขนข้าวจากหลานที่มาุ่งเนี่ยให้มันไปเราไปถึงบ้านตัวอ่องเลยเนี่ยมันมันใช้ได้สัมมา ส, สมาธินี่มันใช้งานได้แล้วผลงานที่เราพึกตั้งแต่ปัญญาศีลตั้งแต่เราสอนกายจักว่ากายเนี่ย เห็นกายเห็นเวทนาเห็นกิเห็ น, นธรรมแล้วก็มาใช้ชีวิตถูกต้องเป็นสินติใช้ชีวิตถูกมันผิดเพื่อมันถูกมันทุกเพื่อไม่ทุกมันใช่ถูกแล้วเคยเปลี่ยนหลงเป็นรูเคยเปลี่ยนโกรธเป็นรูเคยเป็นทุกข์เป็นรูเคยเปลี่ยนอะไรเป็นรูทั้งหมดที่มันเกิดกับกายกับใจของเราเนี่ยเราใช่มามันก็เลยเป็น ทำให้มันเป็นมันใช่เป็นมาใช่มันรู้ทต่ไม่เป็นการทําให้เป็นเราเปิดตนสอนตนไม่ใช่คนอื่นสอนไม่ใช่คําสอนมางัดเอาเรารมาถานไม่ใช่เรื่องมาสอนกันนั่งสอนกันเอาไปหัดเอาถ้าไม่หัดมันทําให้เป็นมีแต่รู้อาสอนมาสอนได้ ได้ปร ะ, ประกาศส ต, ติความเลืกได้สำภจชนยาความรู้ตัวใครก็ว่าได้แต่อะไรคือสติไม่รู้ตรงไหนเลึกตรงไหนไม่เคยทำดูการทำต้องเป็นเรื่องของเราเองพระเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการกระทาเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย กาทำให้มันเป็นเนี่ยการทำไม่เป็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองหลงาอหลงก็เป็นดีลูกอยู่แล้วโกรธป็นดีทุกไม่ดีใครก็รู้แต่เรายังหลงอยู่ยังโกรธอยู่ยังทุกอยู่ความลูกมันใช่ไม่ได้ถ้าไม่เอาบางัาบางคับต้องบังคัดว่าฝึกอย่างนี้แหละ ไม่มีวิธีใดที่จะมาสอนชีวิตเราเท่ากับกรรมฐานจึงมีสถานที่แบบนี้ขึ้นมานี่ว่าขันวิปัจจาธุละให้เป็นธุละขันธถุละเลียนโูกมาแล้วส่วนวิปัจจาธุละมาพุกหัด เหมือนการแพทย์หลวงตาไปเดินไปดูแพทย์เขาเรียนแพทย์ทยไปพาศพ<บ>อยู่โรงพยาบาลสีนกำเรินหลวงตาก็เอาศบไ ป, ไปเอาไปให้เขาแล้วว่าให้เขาแล้วตั้งแต่ปีห้าร้อยสิบสี่แต่แต่าดหลวงพ่อมันหายไปนล้ก็มาลู้นะ บอก็จางไปสารว่าถ้าตายก็ไปแจ้งหลวงพิบาลให้เขาเหมาศพไปนะบัดมาหายไปแล้วบัวันที่ศพเขาเขาต้องพิกหนังพิกอะไรมา้าปาดดูก็ดูตำรลาไปชำแหละไปตั้งแต่ฝ่าเท้า ทุกส่วนของร่างกายเอาจนแหลกไปเลยนะแล้วก็ดูตำลาเขาไปปาดดูไปจำแหละดูจนสำเร็จเป็นไายแพทย์เป็นแพทย์หญิงก็เขาเดียนรูืร่างกายมันมีเส้นมีเอ็นอยู่ตรงไหนนี่คือทมดูไปทำดูไม่ใช่รูเฉย ชีวิตเราก็รู้แล้วแต่ว่าทาดุกเนี่ยดันกรรมการทำอย่างนี้บอกกรรมกรรมมันจาแนกไปกรรมมุนาวัตติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นของจําแนกสัตว์ําบาปเองเศ่้าหวงเองไม่ทาบาปเองหมดจดเองการเศร้าหมองความหมดจดเป็นของเฉพาะตน ค น, นจจคนอื่นใจอย่างคนหนึ่งในเศร้าหมองหรือหมดจดเป็นไปไม่ได้พระเจ้าสอนอย่างนี้จึงจำเป็นต้องมาฝึกหัดให้มีสติไปในกายอย่างนี้เป็นบทถมชั้นบทถมเราจะเรียนสงสงมายอย่างไงก็ต้องมาหัดเสียก่อนมาหัดให้มีสติไปในกาย มันก็จะเห็นอะไรเห็นมันหลงมันแหละดีแล้วเห็นมันสุขแก่มันทุกข์ดีแล้วเย้เปลี่ยนเป็นรู้เห็นมันพอใจเห็นมันไม่พอใจเห็นมันขี้เกียจขี้ค้านเห็นมันวกิเลตตัญหาเห็นมันเกิดโกรธโลภหลงดีแล้วเจอแล้วเห็นมันงัวเงาหอนอนเห็นแล้ว เปียนมาเป็นลู้แล้วอ <c oughs> าจะว่าลู้แล้วลู้แล้ว <c oughs> ก็ได้ไม่ต้องว่าหนออันความลู้ไม่ต้องออกมาเป็นวาจาเป็นเสียงพุทโธก็ไม่ต้องว่าผู้ลู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลู้แล้วเหมือนกันนั่นคือขจาเนี้ จะมีความรู้ขนาดไหนมาก็กต้องมีความโก่งความหล่อมความกต้ความโลภความวิตกกวงวนอนเศร้าหมองมันไม่ใช่ความรู้มันต้องมาหาดหัดให้เป็นเจ้าเปลี่ยนรลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเรเว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมาใช่ไม่ใช่อะไรเคยเปลี่ยน เปลียนร้อยเป็นดีเนี่ยเปลี่ยนพีเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยเวียนที่มันไม่ดีทั้งหลายให้มันดีเราปฏิบัติขยันทมกรรมดีเรียกว่าภาวนาเรามาสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะนี่แหละคือภาวนาขยันรู้ทุกวินาทีเนี่ยนี่แหละภาวนา ไม่ใช่บริกรรมนะพุทโธพุทโธพุทโธหลังหลังหลังไม่ใช่แล้วไปสอนกันตอนถ่วยให้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธหังอหลังหลังมันก็ไม่รู้เรื่องพุทโธพุทโธมันมีแล้วมีในชีวิตของเราเราหัดไปแล้ว เวลาหายใจไม่ได้จะมีเสียงไนพุโทโธมันไม่ ม, ไมีต้องดูไปมันไม่จนเห็นมันทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจจบจริงๆดังจบเรื่างกายร่างใจมีอะไรอยู่เนี่ยดูเห็นหมด ไม่ใช่ไปเห็นที่ไหนเห็นอันที่เกิดกับกากับใจกองสังขารเนี่ยความโลภรู้ในกองสังขารนั่นเนี่ยเรียกว่าปัญญานะปัญญาพุทธะเป็นปัญญาเรื่องนี้อปัญญาเรื่องศึกษาเรื่องศาสตร์เรื่องเชนเรื่องวิชาการเป็นปัญญาอันหนึ่งปัญญาพุทธะเนี่ยด้วยว่าความโลภรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญา การรักษากายวาจาให้เรียบรอย้อยชื่อว่าศินยอมตั้งใจมัน่นเรียกว่าสมาธิาคือศินคือสมาธิคือปัญญามันก็เรื่องของกายของใจเรานี้นยปัญญาที่ไหนศินก็อยู่ที่ น, นั่นสมาธิอยู่ที่ น, นั่นศินอยู่ที่ไหนปัญญาสมาธิก็อยู่ที่ น, นั่น มันไม่เป็นแถวไม่เข้าแถวมันเป็นจักรมันหมุนมลกลมๆไม่ใช่กลมเหมือ น, นหลวงพ่อกลมนะหลวงพ่อปีออไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นวงกมลมมันจริ่งนะเหมือนจักรมันล่อรถมันหมุน เจะว่าศีลก่อนสมาธิก่อนปัญญาก่อนมันไม่ใช่มันหมุนอะไรไปมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ศีลสมาปัญญาท่านไม่เกิดศีลศีลท่านไมเกิดสมาธิสมาธิท่านไม่เกิดปัญญาปัญญาท่านไม่เกิดศีลหมุนไปอย่างนั้นแ่ะมัไม่ใช่อันเดียวอันจริงควเป็นการกำจัดกิเลส เพราะมันเหยียบไปเหมือนเหมือน่ะไ้มีดแท็กเตอร์ที่มันผ่านไปมันก็ทำให้ทีมีขึ้นเรียบลงหรือเหมือนไม้กวดที่มันผ่านไปก็ทำให้ขี้ผนออกมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นคาว่าศีลคาว่าสมาธิคาว่าปัญญาเนี่ยการจัดกิเลสมันเหยียบไปก่อน เมื่อลอยรถแท็กเตอร์เจาะทางขึ้นเขาชนก้อนหินไปก่อนแต่ยังยังวิ่งยังรถยังวิ่งไม่ได้เอารถเตดเกตไปที่หลังอีกก็ยังไม่คาก็รถบดบ ด, บดเกยียบไปอีกเหมือนกับศิลกับสมาธิปัญญานะะั่นและนก็เรียบละเบิดศิลกับใจิตเลจังยาบ สมาธิกรรมจัดจิเรตจางกลางปัญญากรรมจัดจีเรตจางละเอียดนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นกระบวนการมั้นเราหลองพ่ดเถียนเปรียบเทียบว่าเราไปอาบน้าในห้วยที่บ้านบูโห o ต้องลงไปอาบน้ําในห้วย ในห้วยน้ำไหลมาจากที่สูงจากไล่ชาวไล่เขาเอาขีดหยาข้ามมาแงมากําไล่ฟ้ายเจอใไปอาบน้ำไหลไม่ได้เหมอนคั น, นลงอาบน้ำในห้วยเลยไม่ได้ต้องไปขดทรายฝั่งห้วยเอาขันคนละอันไปขดทรายขึ้นมา ควดลองไปสักหน่อยสักครึ่งศอกหรือศอกหนึ่งน้ำก็ไหลออกมา เ, อาเมื่อน้ำออกแล้วก็ตักน้ําออกน้นที่ไหลก่อนมันนักคนตักออกทีหนึ่งก็ยังไม่ใส่ตักก อ, อกครัง้งที่สองหน่อยครั้งไปน้ำที่คุณก็กลายเป็นน้ำใส นี่แหละปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้อว่าเทียนสอนพวกเราเหมือนหลงเหมือนกับลูตักมัน้ําออกหลงที่ใดลูมันโกที่ใดลูตักออกแล้วตักน้ําที่มันขุนขนออกตักออกหลายข้างหลายข่าวอันความขุนมันก็ใสขึ้นมาแต่น้ําอันเก่ามันใสได้อันความโกมันเกิดที่จิตใจของเรา เมื่อเราเปลี่ยนเป็นตัวรูป ม, มันก็จะใสขึ้นมาจะไม่คนไม่มีกท์ไม่ีโทษเมื่อตากออกมันลลายเที่ยวแล้วมันไหลออกมาเลยตะ ก, อ, อ, ก อ, อกอีกไห ล, ย, หลยังไงตะก อ, อกอีกไหลยังไงทำกหน้ามาาันใสพอหน้ามาใสเราค่อยอาบเริ่มอาบแล้วค่อยๆตากมันอาบไปอาบน้ำทีไรก็ทาแบบนั้น นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราสมัยหลวงตาไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนตอนต้นๆห้าร้อยเก้าห้าร้อยิบห้ารอสิบเน่ยเออมาปฏิบัติอยู่เออมันก็เหมือนหลวงพ่อว่าจริงๆนั่นแหละมันหลงที่ไหนตะกอกอยาให้หลงเป็นหลงถ้าปล่อยมันคุณอยู่มันคุนอยู่นั่นแหละแล้วทำไม่เปลี่ยนเป็นโล่ มันโกรธเปลี่ยนมันโกรธอยู่แล้วไม่เปลี่ยนให้เป็นได้โกรธเพราะก็คนอยู่ด้านมันใช่ไม่ได้จริงๆพอมันเปลี่ยนไ ป, ไปเปลี่ยนเปลี่ยนมันใช่ได้มันใช่ได้ชีวิตของเรามีประโยชน์ไม่มีโทษเจตษิตอบไม่มีโทษต่ตอคนอื่นจริงๆนี่ปฏิบัติธรรมเราทําแบบนี้ไม่ใช่อ้อนวอนมีแต่ว่ายมีแต่กราบ บอกให้ปฏิวัติทมแล้วไม่เอามันก็ได้แต่พื้นื้ น, นเป็นชั้นปาดถมยังไม่แตกฉานต้องให้เป็นปะดินยารเรื่องในํำนานมากจำนานจนจบนะจบแล้วคืออะไรคือไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไรทําแล้วมันเส็จแล้วมันเส็จแล้วมันเส็จแล้วอันเก่าของโกรธอันเก่าของหลงอันเก่าของทุกข์อันเก่าไม่ใช่ของใหม่มันมีเท่านี้จริงๆก็มีกายมีใจเห็นมันหมดอะไรที่เกิดขึ้นรู้แล้วเลยไม่เป็นอะไรกับมันอันจบก็ไม่ได้เป็นจกมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นทุกข์ มันเป็นอะไรก็ไม่เป็นไปกับมันไม่ได้สติรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเ ห, เห็นเห็นแจ้งจริงๆไม่มีคำถามว่าเราได้เห็นมาเป็นยังไงเราทำอะไรเป็นยังไงนั้นเราเดินทางที่จํำนานไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องเสียเวลาตัดริงใจไปเลย มันพาไปความถูกมันพาไปความผิดมันบอกคงามถูกพามันก็บอกกว่าเามั่นใจเหมือ น, นคนขับรถมันก็หัดรถขับใหม่ๆมันก็มันจะรถจะไปทางหนึ่งแล้วจะไปทางหนึ่งมันเราหัดชียจักรยานนะ มันทีเป็นแล้วใช่เป็นแล้วกเหือนกันวันพาไปมางทีมันานายรถข้างหน้าเขาจะไปทางไหนม่นทํานายถูกลู้รถตัวเองมันเป็นอะไรลู้จักใช่ถูกใช่เป็นไม่มีทุกข์ไม่มีโทษใช่เป็นประโยชน์ได้จริง อันกายใจเรานี้ถ้าหัดปันใช้ได้เป็นมากเป็นผลถ้าหัดก็ได้ไม่หัดก็เป็นนระกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นฤๅษีฉานได้มันมีบาปมีบุญชีวิตของคนเนี่ยมันมีสวรรค์นิพพานมีทุกข์มีโทษมีประโยชน์ชีวิตของเราก็มีค่าเป็นมนุษย์สมหัติแล้พร้อมแล้ว วามที่สุดคือปัจจุบันเนี่ยพอมแล้วเมื่อเราปัจจุบันไม่มีเราไปทำตอนตายถ้าไม่มีปัจจุบันปัจจุบันคือของจริงผู้นี่ไม่จริงเมื่อวานนี้ก็ไม่จริงวันนี้ชั่วโมงนี้แล่มันจริงจะใช่อย่างไงใช้ได้เลือกใช้ได้อ น, นาให้เราใช้จริงจริงใชใ้เรามีความรู้นะ จึงพรอบนราที่สุดเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่นี้ในที่หัวใจใเข้าวจิน้นมนเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันสมควรใจเวลากราบพระพ่อพอกัน